อย่างที่ดูรู้กันนะขนเราเนี่ยก็มีกายกับใจกายกับใจเนี่ยสำคัญต่อชีวิตทั้งคู่แต่ก็มีธรรมชาติและความต้องการที่แตกต่างกันหรือว่าบางครั้งก็เรียกว่าขัดแย้งกันกายเนี่ยมันเป็นตุนเป็นก้อนนะต้องการเนื้อที่ ต้องการอาหารอากาศปจัจจัยส่ส่วนใจเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักจะจับต้องก็ไม่ได้แล้วก็ต้องการสิ่งที่แตกต่างไปจากกายไม่ได้ต้องการอาหารไม่ได้ต้องการอากาศไมไ่ต้องการความสุขความสำเร็จ ความเพลิดเพลินการยอมรับรวมทั้งสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปนี่คนเราเนี่ยอย่างที่เราพบนะประสบการณ์ชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งกันระหว่างกายกับใจอย่างเช่ในใจเนี่ยต้องการศึกษาหาความรู้ ต้องการอ่านหนังสือต้องการทำงานแต่ว่ากายเนี่ยนะมันอยากจะนอนอะ่ะหลายคนเนี่ยมีงานต้องทำแต่มันไม่เสร็จสักทีมีหนังสือที่ต้องอ่านมีการบ้านที่จะต้องจัดการแต่ว่ากายนี่มันจะชวนให้นอนนะชวนให้หลับท่าเดียวหรือบางทีมันก็ ส่งเสียงร้องว่าห He ิวหิวหิวก็เลยเป็นอุปสรรคขัดขวางสิ่งที่ใจต้องการทำต้องการบรรลุหรืออย่างเวลาเรามาปฏิบัติธรรมนะเราก็อยากจะปฏิบัติธรรมยาไปจนถึงเวลาค่าคืนเพาราะกลางค่ ำ, ำกลางคืนนี่มาสงบแต่กายมัน ไม่ยอมร่วมมือด้วยนะมันมันจะนอนท่าเดียวนะนักปฏิบัติธรรมก็จะพบว่าเนี่ยไอ้ความง่วงเหงาหานอนนี่ก็เป็นอุปสรรคจริงๆอย่าว่าแต่กลางค่ากลางคืนและกลางวันก็เหมือนกันนะมันจะระว่างที่ปฏิบัตนะิสติก็อยากได้นะแต่ว่ากายนี่มันมันอยากจะหลับมันอยากจะนอน เวลาเดินจงกลมเนี่ยเราก็อยากจะเดินจงกลมทั้งวันทั้งคืนเลยโดวยว่าเวลาขําคืนสงบพ่เวกสงัดจต่กายมันก็ไม่ค่อยร่วมมือด้วยมันจะนอนบางทีก็บวดว่าปวดเมื่อยปวดเมื่อยหลายคนเนี่ยเดินธรรมยาตรานะฮะหรือเดินทุต ด, ดงก็แล้วแต่ก็อยากจะ ทุดวงไปที่ไกลไกลเข้าไปในป่าลึกบางทีก็ต้องปีนเขาแต่กายมันก็งองแงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวปวดเมื่อยใจก็มีจุดหมายอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ว่ากายไม่เอือ้อเฟื้ออันนี้ไม่นับประเภทว่า อยากจะเล่นเกมนะเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเลยหรืออยากจะเที่ยวดูหนังฟังเพลงโต้รุ่งทั้งที่เป็นของชอบแต่ว่ากายมันมันไม่ไหวอ่ะมันอยากจะนอนมันอยากจะพักบางคนอยากจะสนุกอยากจะเล่นเกมกไปจนสว่าง หลังจากที่เล่นไปแล้วนี่สี่สิบชั่วโมงกบกว่ากายนี่มันน็อกเลยนะก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะเสพสุขหรือหาความสนุกได้อย่างเต็มที่ยังไม่ต้พูดถึงประเภทว่าเนี่ยกินสิ่งที่มันเป็นโทษนะต่อร่างกายแต่ว่ามันปลนเปลอจิตใจ เช่นเหล้ายาบุรีไอ้พวกนี้นี่มันสนองความต้องการของจิตใจทำให้เพลินนะทำให้เคลิ้มหรือทำให้เมาลืมความทุกข์นะความโศกความเครียดแต่กายนะมันต้องรับเคราะห์ วความลอกเมากๆกายมันก็ไม่ไหวไม่ไหวแลนะ้อันนี้เรียกว่ามันเกิดความขัดแย้งกันระหว่างกายกับใจอยู่เสมอเสมอความทุกข์มันก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกายกับใจด้วยใ่าง่อีกหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้นะเขี้ต้องรู้จักเที่ยวเข็นนะร่างกาย ให้มันอดทน่องทีกายมันอยากสบายเนี่ยธรรมชาติของกายเนี่ยมันชอบสบายมันไม่ชอบเคลื่อนไหวตื่นเช้าตีสาใจนี่อยากตื่นนะแต่ว่ากายเนี่ยมันมันไม่รวมมือด้วยนะมันจะนอนชาดเดียวอาจจะเป็นเพราะว่านอนน้อยหรือว่า อยากจะนอนมากกว่านี้ทั้งๆ ท, ที่นอนเต็มอิ่มแล้วในแง่หนึ่งเราก็ต้องรู้จักเคี่ยวเข็นกายนะไม่ให้มันลักสบายหรือว่าเกียดคร้าน้นนเลื่อนลงไปถึงการที่เรารู้ว่าเนี่ยถ้าจะบำรุงกาย ให้แข็งแรงเนี่ยมันก็ต้องออกกําลังกายต้องออกกําลังกายเป็นประจําจะไปไหนมาไหนก็ไม่ใช่แต่จะพึ่งรถนะแต่ว่าต้องรู้จักเดินแต่กายนี่มันไม่อยากจะเดินไม่อยากออกกาลังกายก็ต้องเขี่ยวเข็นมันแต่ว่ามันเท่า น, นั้นยังไม่พอนะบางครั้งเราก็ต้องยอมยอมพักผ่อนด้วย ไม่ใช่ว่าจะเคี่ยวเข็นกายอย่างเดียวบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้จักนะบำรุงกายให้กายได้พักผ่อนไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติทำจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะอ น, นั้นก็ไม่ถูกหรือว่าจะทำงานนะหามรุ่งหามค่าแม้ว่าจะเป็นงานที่ดีมีประโยชน์ หรือแม้แต่จะเป็นการสอนทำเป็นประโยชน์กับผู้คนมากมายแต่ว่าก็ต้องรู้จักพักผ่อนไม่ใช่ทํางานแบบหามรุ่งหามค่าอันนี้เราก็ต้องรู้จักนะบำรุงกายดูแลกายหรือว่าผ่อนคลายไปตามความต้องการของกายด้วยก็หมายความว่าเราต้องรู้จักนะ ฟังสัญญาณของร่างกายนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะอ่อนแอไปอยู่ทุกครั้งทุกคราวบางทีเขาก็ไม่ไหวจริงจริงเราเขาก็จะมีสัญญาณส่งออกมาหรือว่าเราจะรับรู้ได้ไหมสัญญาณใหม่ๆก็อาจจะเป็นความปวดความเมื่อยนะเล็กๆ น, น้อยๆ เพราะว่าใช้มือใช้แขนใช้นิ้วหรือนั่งนั่งนานเกินไปก็มีการปวดการเมื่อยบ้างแต่หลายคนก็ไม่ฟังเสียงของันไม่ฟังเสียงหรือสัญญาณของร่างกายแนละ้วก็ใช้มันจกนกระทั่งเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาบางคนนะนิ้วล็อกหรือว่าหลัง มีปัญหาปัญหาของคนที่นั่งโต๊ะทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์จำนวนมากนี่เรียกว่าทั้งมือทั้งแขนทั้งหลังนี่แย่คอด้วยอาการหนักไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีอาการแบบนี้มันมีอาการมานานแล้วแต่มันค่อยๆค่อยๆสะสม อาการเหล่านี้มันก็เป็นสัญญาณของร่างกายบอกให้เจ้าของรู้จักพักแต่เจ้าของก็ไม่ฟังนะเพราะมัวแต่สนใจทำงานสุดท้ายร่างกายมันก็อุดทรนร้องบน่นป่วยบางคนก็ยังไม่ยอมนะยังทำไปไล้สุดท้ายนี่หัวใจวายตายแล้วก็มีนะ อย่างผู้ที่เล่นเกมเนี่ยเล่นเกมต่อเนื่อง 30-40 ชั่วโมงเนี่ยไม่หลับไม่นอนไม่พักหัวใจวาบตายก็มีนะหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกตายก็มีไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ไม่มีอาการมาก่อนนะมีแต่ว่าเจ้าตัวไม่สนใจไอ้แบบนี้ก็ไม่ถูกนะ ในด้านนี้เราก็ต้องรู้จักเคี่ยวเข็นร่างกายให้มันอดทนให้มันไม่ไม่เกียคร้านแต่ในด้านนีงเราก็ต้องรู้จักบำรุงดูแลพู้งานคือต้องรู้จักความพอดีตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะสติสําคัญมากเลยสติมันทําให้เราเนี่ยรู้จักความพอดีพอดีตั้งแต่การกินแล้วนะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่รู้จักความพอดีกันถึงที่เรากินด้วยความชอบกินมากๆเข้ามันก็เกิดผลเสียกับร่างกายร่างกายก็ส่งสัญญาณบอกเจ้าของเจ้าของก็ไม่ฟังเพราะว่าเห็นแก่กินเห็นแก่ความเปรตอร่อยสนองความสุขทางใจ แต่ถ้าว่าเรารู้จักความบาดีนะอะเราก็จะรู้ว่าเมื่อไหรเนี่ยควรจะเขี้ยวเข็นร่างกายให้มันให้มันตื่นตัวเช่นเวลานอนเนี่ยมันไม่อยากตื่นก็ต้องรู้จักบังคับให้มันตื่นขึ้นมาหรือว่าทํางานไปสักพักมันจะง่วงอ่ะก็ต้องไม่คล้อยตามมัน หรือว่าออกกำลังกายเนี่ยมันมันบ่นมันบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วที่จริงยังไหวนะถ้าใจไหวมันกายมันก็ไหวมันบ่นมันไม่อยากออกกำลังกายมันอยากนอนนั่งนั่งนอนๆอน่ะเราก็ต้องเขี้ยวเข็นมันนักวิ่งหลายคนเนี่ยเขาพบว่าเนี่ยจริงๆร่างกายเรามันมีความสามารถมากกว่าที่ เราคิดมากเลยยิ่งฝึก บ, บ่อยๆทำ บ, บ่อยๆฝึกซ้ำๆก็ยิ่งสามารถจะก้าวข้ามขีดจกากัดของตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่าจะทําได้มาก่อนสติมันช่วยทำให้เกิดความพอดีไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามความต้องการของกายซึ่งเท่ากับทำให้เกิดความเกลียดคร้าน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าไปบังคับนะเคี่ยวเข็นมันจกนกระทั่งเกิดความเจ็บความป่วยสุดท้ายก็ไอสิ่งที่อยากจะทำแม้จะดีแค่ไหนก็ทำไม่ได้เพราะแม้ทางการตรินสติหรือการฝึกจิตนี่เราก็ต้องใช้กายนะเราต้องใช้กายใช้กายในการ เอ่อเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ว่าจะเป็นลมหายใจไม่ว่าจะเป็นมือที่ขยับเท้าที่เดินเราก็ใช้กายเพื่อเป็นฐานของใจนะในการเจริญสติให้จิตมีที่ตั้งรวมทั้งใช้กายนี่แหละนะเป็นสิ่งที่จะแสดงสัจธรรมให้ใจได้เห็นนะว่าออกายนี่มันไม่เที่ยงนะ มันไม่ใช่เรามันเป็นตัวทุกข์นะให้ความพอดีเนี่ยนะไม่ทำให้เราเกิดความเชื่อมโยงสามัคคีกันระหว่างกายกับใจไม่เกิดความสุดโตง่ตงไปทางปลนเปลอกกายหรือการเชื่อวเขียนสร้างความทุกข์ทรมารให้กับกายแล้วก็ตามเนี่ย เวลาพูดถึงใจเนี่ยมันก็ยังแยกออกเป็น2นะในทางพูดนีิแยกออกมาเป็นจิตและปัญญาใจเนี่ยทางพุทธศาสนาแยกเป็นจิตและปัญญาการฝึกจิตเรียกว่าจิตภาวนาการเพิ่มพูนพัฒนาปัญญาเรียกว่าปัญญาภาวนาวันที่เจ้านาเราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสมาธิ ในทางพุทธศาสานาที่เราแยกนะใจออกเป็น2ว่าคือจิตแล้วก็ปัญญาปัญญานี่ก็เป็นเรื่องของความคิดเรื่องของเหตุผลการใช้เหตุใช้ผลการเข้าใจเหตุผลเรื่องของความรู้นะอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นเลยนะของปัญญานะในระดับโลกโลกเนี่ยบางทีเราก็ใช้คาว่าสมองนะมันทำหน้าที่คิด มีรู้ผิดชอบชั่วดีมีเหตุมีผลอันนี้คือปัญญาที่พัฒนาแล้วถึงแม้จะยังไม่พัฒนาถึงที่สุดเพราะถ้าพัฒนาถึงที่สุดนี่มันก็เหนือเหตุเหนือผลหรือไม่ติดอยู่กับเหตุผลอย่างเดียวแต่ว่าสำหรับเบื้องต้นการพัฒนาปัญญาคือมีความรู้มีเหตุมีผลนะรู้ผิดชอบชั่วดีรู้อะไรถูกอะไรผิดส่วน จิตเนี่ยนะหรือบางทีเรียร็ยวหัวใจหรือเป็นเรื่องของการเรื่ององอารมณ์เรื่องของความรู้สึกมันจะไวต่อสิ่งที่เรียกว่าเวทนาจิตเนี่ยมันจะไวต่อหรือเป็นตัวที่รับรู้เวทนาโดยตรงถ้าเป็นสุขเวทนาก็เกิดความพอใจอารมณ์ดีถ้าเกิดทุกขเวทนาก็ไม่พอใจอารมณ์ไม่ดีนะนะ เวลาเราพูดถึงอารมณ์เนี่ยนะก็เป็นเรื่องของใจซึ่งมันก็สำหรับคนทั่วไปก็สัมพันธ์กับเวทนาเจอสุขเวทนาทางโูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็อารมณ์ดีนะมีความสุขถ้าว่าเจอทุกขเวทนาผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์ก็ไม่ดีเกิดความรู้สึก ข, ขัดอก ข, ขัดใจ ที่วเกิดความทุกข์เนี่ยใจเนี่ยนะหรือว่าตัวตัวจิตเนี่ยโดยพื้นฐานมันก็ปรารถนาสิ่งที่ถูกใจขณะที่สมองหรือว่าปัญญาเนี่ยมันก็อยู่ในฝันความถูกต้องนะถ้ามีการพัฒนาเนี่ยมันก็จะเอาความถูกต้องหลายคนจะพบว่าเนี่ยรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะ รู้ว่าความถูกต้องคืออะไรนะแต่ว่าใจมันไม่คล้อยตามด้วยรู้ว่าความขยันเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าขยันไม่ได้ทักทีนะเพราะว่าใจนี่มันคิดแต่จะแสวงหาสิ่งที่ถูกใจมีเวลาว่างทีไรก็ดูหนังฟังเพลงเล่นโทรศัพท์หรือเล่นเกมเวลากินเนี่ยนะปัญญาบอกว่าควรจะกินอาหารที่ ไม่หวานมันเค็มเพราะมันถูกต้องต่อสุขภาพนะแต่ว่าตัวตัวจิตเนี่ยนะตัวอารมณ์เนี่ยมันก็แสวงหาแต่อาหารที่อร่อยนะหวานมันเค็มหลายคนรู้ว่ากินอย่างนี้ไม่ดีนะแต่ว่าก็อดกินไม่ได้ไอศครีมช็อกโกแลต เด็คนก็รู้ว่าเที่ยวห้างเนี่ยมันเสียเวลามันเปลืองเงินแต่ว่าใจมันโหยหาเนี่ยจิตมันโหยหาอย่างกจะเที่ยวห้างเล่นเกมก็เหมือนกันนะสมองบอกว่าเนี่ยเล่นเกมไม่ดีนะเสียวเวลาเสพติดแต่เลิกไม่ได้สักทีนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันมันติดนะติดเกมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ทุกคนก็ประสบพบโดยตัวเองนะมันมีความขัดแย้งนะอย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยดีช่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้นะบางคนนะก็รู้นะว่าเนี่ยเวลาเหลือน้อยแล้วควรจะเวลาที่มีอยู่นีเพื่อการปฏิบัติทมยิ่งถ้าหากว่าบรรลุพระนิพพานได้เลยก็ยิ่งดีแต่ว่าใจเนี่ยมันหรืออารมณ์เนี่ยมันมันไม่เอาด้วยนะ มันอยากจะเที่ยวมันอยากจะสนุกสนานอยากจะดูหนังแม้มียงหนึงเนี่ยแกมาบ่นว่าเนี่ยนิพพานก็อยากได้นะแต่ก็ยังอยากจะดูหนังเกาหลีติดหนังเกาหลีติดซีรีส์เกาหลีทั้งวันทั้งคืนก็ดูแต่เกาหลีเนี่ยไอเกาหลีเกาหลีซีรีส์นี่แหละไม่มีเวลาหรือไม่ให้เวลาการปฏิบัติธรรมเลย หล้วคนก็รว้ีิพ่านดีนะแต่ว่ายัางไม่อยากยังไม่อยากละทิ้งกา ม, มาสุขยังอยากจะเพลินกับากา ม, มาสุขไอ้ตัวที่เพลินก็คือแล้วคือตัวอารมณ์นั่นแหละให้เรามีความขัดแยง้งทำยังไงนะถ้าเรามีสติมันจะช่วยได้นะมันช่วยทำให้อารมณ์นีไม่มาไม่มาครอบงำ หรือบงการช่วยของเรามากเกินไปมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ช่วยไปในทางที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจนะช่วยทำให้ช่วยของเราเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ถูกต้องหรือว่าสมเหตุสมผลหรือมีเหตุมีผลมากกว่าที่จะเป็นไปเพื่อความถูกใจอันนี้ก็เรียกว่าเอาเอาเหตุผลเรือความถูกต้องเนี่ยเป็นตัวนำ เอาสมองหรือเอาปัญญาเป็นตัวนำไม่ปล่อยให้อา ใ, ใ, ให้อารมณ์มนะมเป็นตัวชักพาไปแต่บางครั้งเนี่ยเราจะปล่อยให้สมองหรือเหตุผลเป็นตัวนำเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกเท่าไหร่นะบางครั้งเนี่ยก็ต้องให้อารมณ์มาเป็นตัวนำอารมณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความกลวัวความโลดแต่หมายถึง ความเหน็นอกเห็นใจความเมตตายัางมีนักสาวคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งเสียแม่ไปเมื่อไม่กี่วันแต่ว่ามีรายงานที่จะต้องส่งก็เลยขออาจารย์นะว่าเนี่ยขอเลื่อนกำหนดที่สี่ชั่วโมงได้ไหมอาจารย์เพิ่งบอกว่าให้เลื่อนได้แค่12ชั่วโมงอาจารย์วันนี้แกก็ถือความถูกต้องนะว่าเนี่ย คนอื่นเขาก็ต้องส่งวันนี้เนี่ยที่ผ่อนผันให้เธออีกสิบสองชั่วโมงเนี่ยมันก็ถือว่ามากเกินพอแล้วนี่เรี ว, ว่าใช้ความถูกต้องใช้เหตุใช้ผลแต่จาจคุณตนึงบอกว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยส่งก็แล้วกันนะ อนทาสาเนี่ยทราบซึ้งใจอาจารย์คนหลังมากเลยเพราะว่าแกมีเมตตาไม่ได้เอาแต่ความถูกต้องล้วคนที่เสียแม่นี่นะโอมันไม่ไม่ค่อยยวไม่มีอารมณ์ที่จะทำงานหรือทำรายงานส่งอาจารย์เท่าไหร่ส่วนอาจารย์คนที่สองก็เห็นใจนะเห็นใจนักสาวเนี่ยว่าเพิ่งเสียแม่ไปจะให้ทำรายงานทันกำหนดเส้นตายมันค ง, งยาก นี่เราใช้อารมณ์คือความรู้เห็นอกเห็นใจนะมากกว่าความถูกต้องหรือนักศึษาคนหนึ่งเนี่ยนะมาเข้าห้องเรียนบอกว่านั่งหลับหลับอยู่ตลอดเลยทั้งเกือบทั้งชั่วโมงอาจารย์ทีแรกก็ไม่พอใจนะแต่ว่าที่ไม่พอใจเพราะมันไม่ไม่ถูกนะ นักศึกษามานั่งหลับในชั้นน่คนอคนื่นเขาตั้งใจเรียนแต่ว่าอาจารย์ก็ปล่อยให้นักศึกษานั่งหลับเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่เคยทำอย่างนี้พอพ้นชั่วโมงแล้วเนี่ยก็เลยถามนักศึกษานักศึกษาก็เลยบอกว่าเนี่ยเมื่อสองวันก่อนเนี่ยลูกเนี่ยไม่สบายต้องนอน ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยดูแลนะเฝ้าไข้ลูกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยมา2คืนแนละ้วก็ขอบคุณอาจารย์มากนะที่อนุญาตให้หลับในห้องได้อาจารย์นนี้เนี่ยแกก็ไม่ได้เอาแต่ความถูกต้องนะแต่ว่าแกก็มีความเห็นใจนักศึกษาอย่างน้อยก็คิดว่าเนี่ยเขาคงจะมีความจำเป็นนะ เขาจึงมาหลับในห้องเนี่ยเพราะแต่ก่อนเขาไม่เคยทําอย่างนี้ที่เรามีความเห็นใจบางทีคนเราเนี่ก็ต้องรู้จักใช้ความใช้อารมณ์นะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไม่ใช่ใช้แต่เหตุผลอย่างเดียวแม้เหตุผลมันจะเป็นเรื่องความถูกต้องก็ตามให้ตัวที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะ อ, อยู่ในความพอดีนะไม่เอาความถูกต้องเป็นหลักต่อพืตพือหรือขณะเดียวกันก็ไม่เอาแต่ความถูกใจหรือใช้ความรู้สึกตลอดเวลาเนี่ยในะส่นันคือสติเหมือนกันนะเพราะเราถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ในบางในแง่หนึ่งก็ไม่ปล่อยให้ความถูกใจมัน มันบงการจิตใจบงการชีวิตจนกระทั่งละทิ้งความถูกต้องคนเราที่มีสติเนี่ยพอมันมีความโรคหรือว่ากิเลสเข้ามาครองใจนะจะเป็นความขี้เกียจหรือโทสะราคะต้องการทําหรือแสดงออกเพื่อความถูกใจแต่ว่าสเตมป์ก็ช่วยทําให้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่มาครอบงําหรือบงการจิตจนกระทั่งละทิ้งความถูกต้อง เอาความถูกต้องเป็นหลักแ ต, แต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เอาแต่ความถูกต้องเป็นหลักใช้ใ ช, ใช้อารมณ์ไม่ได้เอาเหตุผลเป็นหลักนะแต่ว่าใช้ความรู้สึกเช่นความเหน็นอกเห็นใจด้วยไม่ได้เอาแต่ความถูกต้องอย่างเดียวในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของของศิลปะแห่งความพอดีนะมันไม่ได้มีไม่ได้มีสูตรว่าเนี่ยจะต้องเอาอะไรเป็นหลัก แล้วถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเมื่อใดเนี่ยควรจะฟังเหตุฟังผลเอาความถูกต้องแต่เมื่อใดเนี่ยควรจะใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ใช้ความเห็นเห็นใจอย่างมีคุณหมอทุกคนที่บอกเนี่ยเวลาสามีภรรยาหรือแฟนทะเลาะ ก, กันเนี่ยขัดแย้งกันเนี่ยอย่าใช้เหตุใช้ผลนะ อย่าใช้ผลให้ใช้อารมณ์อารมณ์ที่ว่านี่หมาถึงความรักนะให้ความรักมันลอยขึ้นมาอย่าใช้เหตุผลเพราะใช้เหตุผลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นการเอาผิดเอาถูกทำให้ความขัดแย้งลุกลามมากขึ้นความขัดแย้มมันลุกลามเพาะฝ่ายนึงก็จะพูดว่าเนี่ยฉันถูกแก้ผิดอีกฝ่ายนกึกบอกเนี่ยเธ อ, อผิดฉันถูกเหตุผลทั้งนั้นแหละแต่แล้วมันก็ กับทำให้ความขัดแย้งลุกลามมากขึ้นหลวงพ่ อ, พอเขียนก็พูดอยู่เสมอนะว่าอย่าเอาถูกเอาผิดอย่าเอาเหตุเอาผลมากเกินไปเพราะมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะใช้ได้ในทุกกรณีถ้าคนเรายึดมั่นแต่ความถูกความผิดหรือใช้เหตุใช้ผลอย่างเดียวมันก็แย่และสิ่งที่จะช่วยทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเมื่อไหร่ควรใช้เหตุใช้ผลเมื่อไหร่ควรจะใช้ความถูกต้องเมื่อไหร่จะเอาอ เอาอารมณ์นะไม่เอาถูกเอาผิดนี่ในที่สนั้นคือสติซึ่งจะช่วยให้ทำให้เราใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม